ฟันะงทมกันฟังแล้วปฏิบัติมธทรมีเยอะแยะสิ่งที่สนับสนุนช่วยเหลือเราเราเป็นกัละยะาณมิตรกันเราก็เป็นกันะยะาณมิตรกับตัวเอง การทมทั้งหลายก็เป็นการระยานมิตรที่ hey. จนับสนุนเราไม่จนเวลาหลงไม่หลงเวลาทุกข์ไม่ทุกข์มีทางอย่างนี้ไม่รี่ไม่รับยิ่งเรามีเจตนามีสติบรรจงลงไปสำเร็จ จากลูกก่าลูกอาศัยกายอาศัยลูปอาศัยนามนี่เป็นวัตถุอุปกรณ์เพชรความรู้ซึกตัวขึ้นมาเป็นไปได้ทุกชีวิตมาเรียกว่าเพิดพะะไดภาวะใดรดูได้ทั้งนั้นชื่นใจชีวิตบานี้ที่ได้เกิดบานี่นี่ เอาว้เฉะเป็นมนุษย์สมบัติมาทำความดีมาละความชั่วความดีก็เห็นได้ความชั่วก็เห็นได้ไม่บิดบาังองำพลางเรามีสติก็เห็นความหลงตรงกันพอดีมีสติเห็นอะไรทุกอย่างที่เกิดกับป่ากับใจ เห็นรูปที่มันเคลื่อนไหวดูไปดูมาเป็นรูปดุนดุนก่อ น, น, นเป็นมหาภูต่อรูปเป็นรูปว้สัยให้ลูกศึกตัวมหาภูต่อรูปรูปใหญ่เอามาใช้ให้ลูกศึกตัว ใช่สำเร็จอย่าเอาลูปนี่เป็นซ้อนลูปสิ่งใดที่เกิดขึ้นกับลูปออกมาเป็นตัวเป็นตน้นไม่ใช่เอาสิ่งที่เกิดขึ้นกับรูปมาเป็นตัวเป็นตนเป็นกูมันซ้อนขึ้นมาเรียกว่าอุปทาอย่าลูปต่อลูปแบบนั้นมีลูปเพื่อเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่ใช่ ในลูกเพื่อใช้มันให้มันสําเร็จประโยชน์เอาประโยชน์จากมันมันร้นมันหนาวในลูก ไ, ได้เห็นความเท็จความจริงของมันเอาวความร้อนความหนาวมาเป็นตัวเป็นตเนตเป็นกูร้อนกูหนาวมันเรียก ว, ว่าอุบัติในูปเป็นลูก ในขันที่ผู้เจ้าบอกขันทั้งห้าเป็นของหนักเน้อมันเป็นรูปแล้วหนักโอ้ยรูปแล้วการที่จะเป็นภาระนะ่ะไม่เป็นภาระกลายเป็นภาระไปเอตนาที่มันมีชุบมีทุกวันโลนมันหิวมันปวดเป็นอาการของลูก เอาความร้นความปวดความเจ็บความหิวเป็นตัวเป็นตนเรียกว่าเวทนาโซนเวทนาเป็นอุปทานในเวทนาในอุปทานเช่นนี้ในสุขในทุกมันมีความเกิดความเจ็บความเจ็บความตายเอากายเอารูปมาเป็นสุขกันทุกข์ไม่แต่เกิดเจ็บเจ็บตายทั้งนั้นไม่เที่ยงแท้แน่นอน าเห็นเป็นศักต์ว่าธรรมดานวาการธรรมชาติของรูปของนามของรูปของกายไม่มีขันธุวทานเป็นรูปล้วนล้วนรูปบริสุทธิเวทนาศัา ก, กเวทนาได้เห็นได้รู้ความเทศความจริงของรูปของเวทนา สัญญาที่มันจดมันจำมันบันทึกไว้ความโกรธสงวันสอวันแล้วโกรธข้ามวันข้ามคืนทุกข้ามวันข้ามคืนพอใจไม่พอใจข้ามวันข้ามคืนมันบันทึกไว้มันเจ็บไว้มันติดเอาไว้มันเป็นวสัญญาศรสัญญา เป็นอุปทานในขันตัวนี้ออกเกิดใจเจ็บตายถ้าไปอย่างนี้นะเราจะได้เห็นตามเท็จความจริงสังขารคือการขยันปุ้งขยันแต่งจิตต่อสังขารตั้งแต่ตัวสังขารที่มันเป็นขันธรรมดามันก็ไม่เป็นไร เกิดนานก็แกเหมือนสองตานี่แกเฉพาะร่างกายสังขารยังไม่พอแกได้เสียงเลยตาในความเสียงก็แกแกถึงเสียงถึงหูถึงฟันถึงเจ้หมกหรือร่างกายแกไปหมดเลยถ้าไม่ฝอกก็แกล่าที่สุด ก, ก็เฉลี่ยจิญญตวิญญาณตัววิญญาณแกมากกว่ากคนเดียว อ้อฝกดีๆไม่มีอุปทานในขันแล้วมันก็ไม่มีอะไรเจอเป็นนวชาติเป็นนักการของมันไม่มีอุปทานในสังขารสังขารดนล้วนไม่เป็นลายอุปทานว่าเราแกเราเก็บเราพอจ่ายอะไรต่างๆฟงๆแต่งๆนี้เป็นขันอุปทานแล้วก็ เกิดอยู่ตรงนี้มากมายเป็นพบบัญชาติพพชาติเกิดซ้อนอยู่ที่รูปที่เวทนาที่สัญญาสังขารมีหลายพบหลายชาติเป็นหลายพบหลายภูมิต่ดถึงวิญญาณติดอะไรมาจนเป็นจริตนิสัย ไม่มีวาสนาเลยในวิญญาณโ ม, มมเมาหมกหมมที่สุดเปะเพื่อนที่สุดวิญญาณที่เกิดจากเปเพื่อนมาจากรูปจากเวทนาสัญญาสังขารมาเจ็บไปที่วิญญาณหนักอึ้งไม่ใช่วิญญาณที่จะต้องบริสุทธิ์ผุดฟอง ิตรงนี้กันมันมีพบวิชา ต, ตรงนี้เเราจะมาเห็นวความเทศความจริงของสิ่งเหล่านี้มีกันทุกคนล้วเรามีชัตติคุมกำเนิดของสงองขันที่จงกำเนิดของอุปทานที่มีในขันธ์ห้า สติควบกำเนิดของอบตานในขันธ์หน้าให้มันผอมแห้งได้เลยรีบไปเลยไม่มีภพชาติในรูปไม่มีภพชาติในเวทนาไม่มีภบชาติในสัญญาสังขารวิญญาณไม่มีภบชาติตรงนี้มีแต่ขันธ์มริจุดเหมือนมีพวกมีแพเพื่อขี่ข้ามฟากว่าใช้ทำความดี ได้สำเร็จขอบคุณขันที่มันมีรูปวิจนาสัญญาสังขามิญญาณเป็นสัญญาณภัยเพื่อใช้ไม่มีพิษมีภัยราวาที่สติจะใช้จรรดี้มื่อแต่เราได้พึกสตินี่น่ะบรรจงรเลื่อมเลียกับบรรจงสงหน่อยเหมือนเราเรียนหนังสือเขียนหนังสือ บันจงลงไปใส่ใจลงไปตัวเดียวบันจงสักเก็ดรอบลองดูสวยงามเขียนเลขห้าอย่างเนี่ยให้เขียนข้างเดียวไม่เขียนโลบซ้อนเข้าไปสักโลบหลายรอบดู <c oughs> มันก็ไม่งามสักตีหรือคัดลายมือได้เราบันจงลงไปตั้งใจเขียนตั้งแต่เริ่มต้น บอกไปไมันจะเป็นไปเองผีมือลายมือจะเป็นไปเองกต่ไม่บันจงเรื่องต้นว่าไม่สวยไม่งามสักทีทำอะไรก็ไม่งามผีมือไม่ดีเหมือนหนช่างที่ออกแบบที่สร้างอะไรที่มันํำนี้ํำนาญ เขียนลายไทยมันเขาทำเล่นขิดโน่นคิด น, นี้พอจบว่างามการฝึกตนสอนตนนี่ต้องหัดต้องฝึกโดยเพราะการฝึกสตินี่ที่จะมาเห็นอุปทานในขันนี่ต้องพอสมควรถูกหลอกที่ใดลู้ถูกหลอกเธอลู้ถูกสุกที่ใดลู้ทุกข์ใจลู้ รู้คู่กับคนสุขกับคทุกหข์มันหนีไม่พน้นเหมือนถูกหลอกคนที่ถูกหลอกก็ย่อมฉลาดฉลาดจากกายจากใจมันไม่ฉลาดเหมือนภายนอกฉลาดภายนอกก็จะเาเปรียบคนอื่นฉลาดในกายในใจนี่ไม่แต่ให้ประโยชน์แก่คนอื่นเหมือนกันชีวิตเหมือนกัน เห็นเราหล ง, เ ห, หลง เ, ห เ, ลเห็นคนอื่นหลงเห็นเราโกรธเห็นคนอื่นโกรธเห็นคนเราทุกข์เห็นคนอื่นทุกข์เมื่อมันเห็นอย่างนี้มันปล่อยกันทิมืไปได้มันจะช่วยกันตลอดในกายในใจแล้วก็รู้สึกเป็นประโยชน์ใช้ชีวิตเป็นประโยชน์ต่อทุกสภาวสิ่งเราจะมาฝึกตนสอนตนเก็บข้อมูลให้มันดีด ระวางความรู้ความหลงมันมาพร้อมกันความผิดความถูกให้มาพร้อมกันอย่าจนตรงนี้อย่าไปจนตรงนี้ไม่จนเป็นผู้ที่ไม่จนคือไม่จนตรงนี้เมื่อหลงไม่หลงงานไม่จนเมือ่อทุกไม่ทูกข์เมื่อกูไม่ ก, ม ก, มกูนี่คือความไม่หลง ไม่หลงตรงนี้ก็ไปได้ไขกุญแจแก่โศ่หลุดไปได้หลุดพ้นแล้วมันหลงหรูหลุดจะพ้นจากความหลงมันทุกข์หนูหนูกลายเป็นความผิดกลายเป็นความรู้ทั้งหมดอาวาที่เป็นความรู้เป็นตัวแม่ของกุศลไปเลยไอได้ รู้สึกตัวรู้สึกตัวไม่เอาเหตุเอาผลเรารู้สึกตัวก่อนถ้าไม่รู้ก็กลับมาหากรรมาฐานมีกายเคลื่อนไหวปลุกสติลงมาบรรจงไว้อีกก็มาอีกกับสังกัดอีกต้นสังกัดชีดวิตคือรู้สึกตัวเหมือนชื้อของเราไม่ต้นสังกัดไม่สมโนครัว ประอยู่์แห่งหุนต่วันใดมีหลักมีแหล่งพีวิตเราควนจะมีหลักแหล่งคือต้อนสองกัดคือตูอสึกตัวเนี่ยไปกำเนิดเกิดกเกิดกุศลนองหลายก็โจนลงเนี่ยยืมได้เลยเวลามันอะไรเกิดขึ้นเด้อยืมได้เลยมีทางมีทางได้จะพูดสักคำแบบไม่เป็นลาย มีความผิดพลาดบ้างชั่วจุดทีดีเจ็ดหุนอย่าไปเมินตัวเองเอาผิดตัวเองมากเกินไปอะไรก็ไม่ได้ไม่สำเร็จโทษแท้หอเหี่ยวไม่ใช่อย่างนั้นคนที่มีกำลังใจมีความรู้จากตัวเนี่ยไม่ใช่เราคนเดียวใครก็หลงใครก็ผิดการท่านนั้น บาออรมีทังเยอผิดเป็นครูรูปเป็นตีชั่วดีเป็นตานี่คือพึกตนสนตนถ้ามันโต ว, วันโตคืนขึ้นมามันจบเป็นริงที่เกิดขึ้นไปกับใจมันจบเป็น แลเหมือนการศืสาทางโลกมันมีแต่อันเดียวเท่า น, านั้นอย่าให้เป็นการบา้านเป็นการยุ่งเหยิงสับสนสับสนในการงานไม่เฉดสักทีหลงก็เป็นหลงอยู่งานค้างงานค้างคาทุกไ่ทุ ก, ทกอยู่เป็นงานค้างโกรธก็เป็นโกรธ อะไรก็เป็นอยู่เช่นนั้นเลย ว, ว่างานค้างคาเป็นดับประมงคลผู้ที่ไม่ให้มันค้างจะเป็นมงคลอนากุลาจกรรมมันตาใช่ไหมเอตามังคารมวตมังการ ง, งานมายุ่งเหยิงสบับสนเป็นมงคล ดูตัวเองเรื่องงานอย่างนี้ไม่มีใครช่วยเราได้งานที่ปูอิดหนอนหนึ่งช่วยกันนะทำงานทำการร้างกะติจ้างแทงน้ำสงสงฆาสชโกโตทำได้ช่วยกันได้แต่งานนี้ช่วยกันมันได้ตอนหลงแย่มันข้างช่วยตัวให้มากที่สุดยิ้มได้เมันไยมี เบาได้มันมีความหนักมืดมีความแสงสว่างได้ยาจนมีอุปกรณ์เยอะแยะตติสัมปชัญญะตายเวทนาจิตธรรมลูปไปสัต่ว่าสักแต่วป่าท่วงมันเลยกายสัต่ว่ากายตะโกนออกมาในหัวใจลึกๆไอ้เชิดสัตว์บุคคลโตตนโลเขา อย่าากายม่เป็นสุขเป็นทุกข์ถาเป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์ไม่ใช่ทุกข์ที่เกิดจากการไม่ใช่สัตว์บุคคลเป็นชาติว่าเหตุนาที่มัน็นสุขเป็นทุกข์ที่ปันดาการต่างๆก็ไมาอย่าหย่าไปมาเป็นตัวเป็นตนอาความสุข้าความให้กายเป็นความสุข ให้กายเป็นความทุกข์ให้จิตใจเป็นความสุขให้จิตใจเป็นความทุกข์มือแต่เกิดแก่เก็บตายทั้งนั้นต้มกกไม่อยากเกิดไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บปอยากตายกขอยาเอากายเอาจิตย้ายมาเป็นสุขเป็นทุกข์หลุดพ้นตรงนี้ไปนี่งานของเราทำได้ทุกชีวิต วิธีปฏิบัติก็พูะเจ้าก็บอกเห็นเห็นทุกหน่เป็นทุกข์ขนจากทุกข์ต่างปาจิยัศอาการสิองเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่ไม่หลักการไม่วิชาการ อะไรก็ตามในโลกนี้มีหลักการมีวิชชาการไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามเป็นการแพทย์การหมอเอาเห็นบาหลวงพ่อเป็นโรคมะเร็งมีหลักการก้อนเนื้อโตเร็วในลำคอไปสู่จับ มีแก่ได้แก้ได้แก่ได้แก้ได้ให้จีบหมูตัวใหม่ให้จีบหูตัวใหม่แก่ได้แก้ได้มีหลักการอยากจะบอกว่ามันหลงแค่ได้แก้ได้โดยหลักการเหมือนกันหลักการของพุทธภาวะมันดูุกแก้ได้แก่ได้มันพุ่งแก่ได้แก้ได้แล้วก็ได้ยินเรื่องนี้มานาน อันนี like ้จะวตสังขารโอปปะท้าไปทำให้นู่วชิตวายโยฉันติเตสังบุปชโมสุโคหะทานสวดอันนีจะสังขารเกิดขึ้นแล้วจเราเล่านู่สังขารคือมันปุ่งนเลยปุ่งให้อะไรต่างๆมปุ่งขึ้นมามีก็สังขารเจ็บสังขารปุ่งขึ้นมา กบฏทาวะยธรร ม, มโนไปยืดเราวิชิตวันลุชนติเจได้อยู่เจได้อยู่เปลี่ยนชะเปลี่ยนซะไปสัมบูปจัจมโขเมื่ขขอเปลี่ยนร้ายเป็นดีเปลี่ยนผิดเป็นถูกแล้วย่อมอยู่เป็นสุขมีความสุขพู้ความทุกข์มีปัญหามีปัญญาเพราะมีปัญหา นี่ชีวิตเรามันไม่ต้องจนเลยจะไปนั่งหน้าบูดดามเบิ้งโซ่ช้อยง้อทำไมร่ำตาไหลทำไมตกน้ออกขึ้นมาลูกพัดตถาคตไม่มีคำว่าถอยเลยองนี่ไม่ถอยเลยหลงลูกเราหน้าตรงนี้ ทุกลูกก้าหน้าตรงนี้แต่ก้าหนึ่งมันหลงมันทุกข์ที่ใดก้าไดดทุกข์ก้ า, กกามันจะง่ายมันจะสะดวกเป็นศาสตร์เป็นศีลป์เป็นพุทธภ า, าวะมีกันทุกคนปิ๊กมือขึ้นก็รู้เมื่อมีลูกเห็นตัวหลงก็จักก็าจาักใจตาหูจมูกลิ้น ควมหลงเป็นายาตนาภายนอกภายในคู่กันเป็นวัตถุที่ทำให้เกิดกรมาคุณไปนี่ก็สอบแล้วทำธรรมอะอายาตนาภายนอกคืออะไรอายตอาตอยตนาภายในคืออะไรตอบปังให้ครบแค่ น, นี้เองแ <c oughs> ล้วโจก็โตก็ตอบกันได้ทุกโลก คือต่อเรื่องชีวิตเราเนี่ยภาคปฏิบัติภาพปริยัติปริยัตมันหอกจากการปฏิบัติดีล้วไม่มีปฏิบัติปริยัติไม่มีนี่คือธรรมะมันชออยู่นอกกายนอกใจเราไปตกนอกอกเส็จเลยนะให้มันรีบซะอันขันหน้านี่ นั้นหลวงพว่าว่าเกียบรีบเกลียบนะแตว่ารีบซะตายรูปเนี่ยรีบไม่ไมา ไ, ไ, ไ, ไม่มีทุกซ่อนรูปอีกรูปเป็นรูปธรรมดาเกิดขึ้นแล้วมาดับไปไมีแล้วหายไปรูปนี้เกิดขึ้นแล้วจะบเจ็บตายไปรูปนี้ยาวมาเป็นตัวเป็นต้น มันม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตวนนี้อย่าเอามาอย่าไปตู่เอาอย่าไปหลงมากจนตาไหลเพราะเรื่องนี้การเกิงๆนะยิ่งใหญ่นะนี่เรื่องนี้ว่าโดยโยกอุบัทานและขันทังหา้าเป็นตัวทุกข์พระเจ้าสอนอย่างดีเราก็ยิ้ <c oughs> <c oughs> ในสารทย้ายออกไปทางมาจา ทางปากเป็นค้นปนตัวทุบเราอยู่เสมอทุบให้มันแหลกตัเสมอเราเห็นเรื่องนี้นักก็ต้องวางไม่เป็นเห็นไม่เป็นนี่คือ วิธีการทุกคนทำลายจนถึงภาวะไม่เป็นอะไรกับอะไรอาจารย์ตุ้มพาไปเยี่ยมชมรมเพื่อนคนทรรมตอนกระพลิขจะรับบคุคคลดีเด่นชมรมเพื่อนคนธรรมติดป้ายเลยไม่เป็นอะไรกับอะไรเย <c oughs> ยี่ห้อสเชือกยี่ห้อเลย ใส่เชื่อทุกคนนะไม่เป็นไรกับอะอรน่าชื่ในใจเราน่าจจใส่เชื่อนะ <c oughs> เอาคำพูดมาเป็นเรื่องความจริงนะทุกคนเป็นสากลธรรมะเป็นสากลเราโลกจึงตัวเปน็นเดียวกันหมด ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับกายกับใจเรานี่ยในคมรู้จักตัวเนี่ยเหมือนกันหมดแต่เกิดต่างเวละต่างโอกาสแต่ถ้าเราก็รู้เหมืนอนจากนั้นแ่ะไม่เหมือนกันในะช่วงที่มันเกิดแล้วช่วงที่แก่เหมือนกันนะมันทำงานยากไปฮนะไม่น่าจะยากนะเนี่ย มันจ้องๆแท้ๆเลยความหลงความรู้เนี่ยขึ้นสไลด์เลยโชว์เลยอ้าหลงงะรู้เทียบไหลกันเลยเนี่ยมันโคสราใอตัวบวมเพศความจริงดังงากเมื่อไม่ีผิดก็ไม่มีผิดเมื่อไม่ทุกข์ก็ไม่ทุกข์มองเป็นคู่แบวรพชิทตัท เมื่อมีเกิดต้องมีไม่เกิดเมื่อมีแจ่ต้องม่ไม่แฉ่เมื่อมีเจ็บก็ต้องมีไม่เจ็บเมื่อมีตายไม่ก็ต้องมีไม่ตายขึ้นจะล่อไว้ในชีวิตของเราแผนที่เอาไว้อย่าจนเอาแรกตั้งแต่รู้สึกตัวนี่ไปศึกษาเรื่องนี้เราต้องเห็นจริงนี่แน่นอนไม่ปิดังพาลหรอกชีวิตเราเหมือนกันหมดนั่นแหละ มาศึกษากันเถอะชีวิตเราไม่ใช่วันนี้วันเดียวชีวิตเราไม่ใช่เราอยู่คนเดียวในโลกนี้ร้ายสิ่งหลายอย่างเกี่ยวข้องกับชีวิตเราทั้งนั้นดินผ้า อ, อากาศสิ่งแวดล้อมต่างๆว่าเราไม่ ฉลาดหลันจะงูถูกโรคทับถมเพรโรคมีน้ำหนักมันมีรสชาตชกกิทุกก็มีรสทุกก็มีรสสัตโลกเมื่อไม่ศึกษาก็ย่อมติดรสของโลกรค ต, ติดเบ็ดติดในความชุกติดในความสุขไปถึงตายนนทุกข์จนตายหลงจนตายโกรธจนตาย เราจึงไม่ควรประมาทไม่ประมาทแต่ความหลงไม่ประมาทแตความสุขไม่ประมาทแตความทุกข์ไม่ประมาทแตความรั ก, ร ค, วกความเฉียดฉ่างให้พ้นอิทธิหละไปจริงเราในตายถ้ไม่ประมาทไม่ผิดแน่นอน ประมาณโทมัจจโรประทางความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตายค่อไม่ผิดไม่พาคอันให้ชีวิตหลงเป็นหลงตายเป็นแล้วตายจะความไม่หลงแเราทุกเป็นทุกตายจะความไม่ทุกแล้วนี่คือประมาทถ้าไม่ประมาทไม่ตายตรงนี้อื้นขึ้นมาหลงไม่หลงลุกขึ้นมา ทุกไม่ทุกลูกขึ้นมาโกรธไม่โกรูลูกขึ้นม า, ไ ม, นมาไม่ตายจริงๆไม่ต้องตายเพราะความเกิดความแจ็ความเจ็บ ค, ความตายมันก็คือก้าวแรกไปจากนี้ถ้ามีก้าวแรกก็ไม่มีก้าวที่สองก้าวแรกอาจจะพลาดไปก้าวที่สองต้องใจ ข้าวที่สามมั่นคงอ่งนี้เหิดสักสองเก้าข้าแรกพลาดไปเก้าที่สองตั้งใจข้าวที่สามมั่นคงนพิษสามครั้งเหมือนพระอริยบุคคลเช่นใดขั้นหนึง่งอสโสดาปฏิบัติเพจีโลกอสโสดาปฏิผลิดกีโลกน้อยกว่า บรนางกับพระสิจิตามีมักผิดกี่โลกบพนะสกิตาคามีผลผิดน้อยลงพระนางคามีรอบเดียวไปเลยสู่พระหลังเลยอย่าประมาทนะนยประมาทในความหลงอย่าประมาทในความาผิดความถูกให้เห็นใหญ่โตขึ้นมาจูเหนือ เห็นนี่เหนือนะเหนือโลกนั่นเห็นเนี่ยองค์เจ้าจังว่าสู่ทั้งห้ายจังว่าโลกนี้วิกิตการณ์เหลือเกินคนงูเขาพากาันหมกอยู่เหมือนะู้ที่เจ้ายืนอยู่นบนฝั่งบือชนแบกว่าอยู่ในห้องน้ำมุดแล้วก็โผล่มุดแล้วก็โผล่างทีโผล่ขึ้นมา เหนทามุดหลง ไ, ไปไปถึงว่ามันสุกงุดไปคือสุกมุดไปคือทุกข์ภาวะของสัตว์โลกงุดโอขาสุกบ้างทุกข์บางคนมุดด้ำเป็นเช่นนั้นสัตว์โลกเป็นเช่นนั้นบ่ไหมสุกบ่ทุกข์ไปแล้วโอ้ยสนุกเกือบตาย <laughs> โผขึ้นมาโผขึ้นมาพระเจ้าพึ่งมา จะต้องเลยจะมาดูโลกนี้เ็นเขาท่านที่หมกอยู่ถึงวาอยู่ขึ้นมานี้จะมาถึงที่ไม่มีน้ำจากที่มีน้ำจละล่าความเสียเป็นผู้ไม่มีความกังวลจนดีเฉพาะต่อพระนิพพานอันปทิสงังขัจงจดกินดีได้โดยยากขึ้นฟังหลังของก็แบวกว่ายขึ้นมา น้ำเพียงคอยังพอหายใจได้บางคนมีความพาคเพียงมาอีกน้ำเพียงหน้าอกบางคนมีความภาคเพียงมาอีกน้ำเพียงเอวบางคนมีความพากเพียงหน้ า, า, น, าน้ำเพียงน่องนังกับพระโสดาพระอาเรียบุคนชั้นใดชั้นหนึ่งมันต้องบอกแาบนี้ปฏิวัติธรรมเหมือนพระอาหนุ์ ขออีกชั่วโมงหนึ่งอีกครึ่งชั่วโมงมันกําหนดได้คนมีฝีมือก็มีความทํางานอะไรมันหมดไปเรออะไรมันบอกตายงั้นเราทํานาอ้คนท้องอีกวันเดียวก็เ็ดหลังอะไรมันเฉดมันบอกมันบอกจบมันบอกมันไม่เหมือนเก่าพนเพราะว่าเก่ามา รอมงานงานมันบอกนายุ่งเหยิงไม่ฉอบสวนเป็นระเบียบ ม, มันไม่กริ้งใจมันหลงมันเป็นไปไม่ได้คมขืนตัวเองมันบอกอย่างนี้จใจมันทุกข์มันไม่ได้มาคมขืนตัวเองคนนี้นะ่า้วกคนน่าเกลียดไม่ได้คมขืนตัวเอง มันความถูกต้องไม่อยู่เพเนี่ยลักคนน่าเกียดเป็นสมมติบัญญตัติเราเหนือสมมุติแล้วถึงปรมา จ, จิตจะมันจะเป็นอย่างนี้ไม่ได้มันต้องเป็นอย่างนี้มันโชนะสมมติบัญญตัติปรมา จ, จิตจะมันโชมันข่มขืนไม่ได้ตรงนี้แน่นอนนี่บัญญัติในตัวเราเนี่ยมันก็ยิ่ง แล้วยัดเข้าไปถ้าเราไม่มีสติบัญญัติขึ้นมาออาการต่างๆวัตถุอาการต่า ง, าาางๆในตามมีหูจะโบ้ได้กายใจมีโูคมีรถมีจีนีเสียงมีอาการเหล่านี้เกิดขึ้นกับบัญญัติสมมติขึ้นมาแล้วก็บัญญัติแล้วก็บูปะท า, านไม่เข้าใจเรื่องปรมัตด ปรามัดเรีนภาษาง่ายๆคือความเท็จก็ไม่ความเท็จความจริงความโกรธเปนจริงก็ไม่โกรธเปนจริงอย่เนี่ยสมมุติกับปลามัดความโกรธเป็นสมมุติมันหยัดขึ้นมาแล้วไม่เราโกรธปรามัดชัดจะมันไม่ฉันความโกรธมันไม่จริงความไม่โกรธเปนจริงอย่เนี่ยปลามัดเป็นไปอย่างนี้ อะไรก็ตามโลกนี่เต็มไปด้วยสมมติบันญัตดจนม่านบังปัติาสัจจะเพราะโลดของโลกเหมือนก้อนเมฆปิดตรงบังดวงอาทิตย์แต่ไม่ใช่ดวงอาทิตย์มันมืดสมมติบัญญัติต่างหากที่มันบังไว้มองโลกแบบพอใจไม่พอใจ นั่นเป็นสมมติบัญญัติถูกโลกแล่ความพอใจก็เป็นความไม่พอใจในสิ่งเดียวเดินสิ่งที่พอใจก็อาจจะเคยให้พอใจในสิ่งนั้นมันหลอกขนาดนั้นเราจรึงมาเห็นจดจ่อความเทศความจริงที่มาเกิดขึ้ น, นกับเรานี่โดยจเจริญสตินี่แหละเป็นการ ผ่าตัดะผ่าตัดเลยจะได้เห็นความเท็จความจริงเ ม, มื่อวานอะไรก้รูไว้ก่อนรูไว้ก่อนรูจักตัวไว้ก่อนมันคิดไปรู้จักตัวไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปหาเหตุอาโปนให้มันแจ้ก้าตรงนี้ก่อนถืเอาไว้ตามรูปแบบกรรมาฐาน โดยเพราะสำพะเบัพภะนี่มันยิ่งใหญ่มันยิ่งใหญ่มันใช้งานได้เหมือนกับหวนถากก็ว่าได้ไงต้นไม่เป็นตูดไม่มีเหลีย่ยมไม่แปลอะไรเลยหัวหนะที่เป็นเหลีย่ยมเป็นอะไรขึ้นมา สิ่งที่คดก็กลบยเป็นสิ่งที่ตรงกรรมฐานนี่มาจากไหนมารู้จักตัวนี่มันผ่านบานรรทนไ้แล้วจะได้จริงจริงมีการทุกคนทําได้ทุกคนอย่าเอาอะไรมาอ้างไปเป็นขราา่าวใจโยมเป็นดาวปวดบาทั้งนั้นเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นคนแก่คนหนุ่มได้ทั้งนั้น สะดวกสู้หลบไม่ได้พวกเราสะดวกกว่า ย, กยนะากกว่าโยมเนาะอ้าวสมกวันเจอเวลาแนละ้ว <laughs>